แต่นั้นจริงจริงแล้วสวรรค์อยู่ในอกของเราเนี่เองเมื่อเราดีใจเพราะได้เห็นในสิ่งที่ถูกใจเราก็ขึ้นสวรรค์ชั้นที่หนึ่งเมื่อเราได้ฟังในสิ่งที่ถูกใจพอใจสุขใจเราก็ได้สวรรค์ชั้นที่สองเมื่อเราได้อากาศดีสดชื่นเวลาเราไปตามป่าตามเขาที่ตางอากาศไปตามชายทะเลไปน้าตกเราได้อากาศดีเราก็ได้สวรรค์ชั้นที่สาม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 มันมีอยู่สมเรื่องนะเรื่องดีเรื่องไม่ดีและเรื่องยังไม่ไม่ไม่ไมไมรู้ว่าดีหรือไม่ดีสมเรื่องคำภีร์ที่สองท่านสอนว่าปัญจกคันธ า, ารูปะขันโทเวทนาขันโทสัญญาคันโทสัขทสงา ข, ร ข, า, รขรารักันโทว่าตัวของเราเนี่ยมันมีอยู่ห้าห้ากองห้ากลุ่มนะกลุ่มของรูปกลุ่มของเวทนากลุ่มของสัญญากลุ่มของสังขารกลุ่มของวิญญาณบะนั้นตัวของเรามันมีอยู่ห้ากิ่งนี่แหละ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 เวลามันแก่มาเ น, น่าไปเสียไปเราทำไมเอาไม่เม็ดไม่เอาเม็ดไปเพาะนี่นะมันก็ไม่ขึ้นนะมันจะเน่าหมดแต่ถ้าเราเมด็เเมดไปเพาะมันขึ้นฉันใดก็ดีร่างกายเราทั้งล่างเนี่ยตายไปแล้วก็เน่าเหม็นไ ป, ไปหมดแต่เอาจิตวิญ ญ, ญาณเนี่ยไปเกิดได้แต่ถ้าเราไม่ทาสิ่งที่ดีไม่ทําสิ่งที่เหมาะสมแล้วเราก็ไปเกิดในทางที่ไม่ดีละ่ะแต่ถ้าเราเกิดทําที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลก็ไปเกิดในทางดีนั้นเมล็ด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 าอย่างเลยสวดอย่าไปคิดว่าทำไมคนนั้นมาด่าเราคนนี้มาว่าเราคนนี้ทาใหเรายากจนคนนั้นทำให้เราเป็นทุกข์คนนั้นทำให้เราเจ็บป่วยเนี่ยมันไม่มีใครทำใครได้นะแต่ที่มันเป็นอย่างนั้นเราเคยทำมาแล้วทั้งนั้นเราเคยทามาก่อนทั้งนั้นมันจึงเป็นอย่างนี้นะอันนี้เจดคำพีทั้งเจ็ดคำพีพูดถึงเรื่องที่อาตมาได้กล่าวมานี้นะเพื่อนญาตโยมทั้งหลาย